183ทิศิของผู้อุดเฉตทิศิจึงเป็นภัยต่อสังคมยิ่งคนผู้อุดเฉตทิศินี้จะไม่กลัวบาปไม่กลัวชั่วเพราะเชื่อว่าบาปหรือทุกข์ร้ายนั้นมีอยู่แต่ในชีวิตเป็นๆตายไปแล้วไม่มีบาปไม่มีชั่วอะไรเหลือแล้วขาดศูนย์ไปเลย คนที่มีทิฏฐิสุดตรงเช่นนี้ปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหลงว่าตนฉลาดคนจะรู้เกินคนที่เขายัางเชื่อว่ามีชาตินี้ชาติหน้านานมันแค่สมมติกันขึ้นมาให้คนกลัวจะได้ไม่ทำชั่วทำบาปแท้จริงเขาเชื่อว่าชาติหน้าชาติไหนก็ไม่มีหรอก นอกจากชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วก็จบศูนย์ไปดังนั้นคนสุดโต่งอุดเฉด ท, ท, ทิ่ที่นี้เชื่อว่าชาติหน้าจริงๆไม่มีก็เลยหลงผิดว่าผู้ที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ที่เขาหลงได้นั้นต้องเป็นคนฉลาดพิเศษจึงจะสามารถรู้ความจริงนี้ คนผู้นี้จึงหลงตนและกระยิมใจว่าตนเป็นผู้ฉลาดพิเศษอยู่ในทีเสมอเพราะเชื่อว่ามันเป็นความจริงที่คนฉลาดจริงเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ความจริงนี้ได้เขาจะหลงตนอย่างนี้จริงๆเต่แท้จริงคนผู้มีทิฏฐิเช่นนี้ คือผู้ประมาทที่แท้จึงทำชั่วในปัจจุบันนี้อย่างไม่กลัวบาปแค่ระวังอย่าให้สังคมจับได้เท่านั้นหรืออย่าให้แพ้ใครๆเท่านั้นเขาผู้นี้จึงมีแต่นรกโดยส่วนเดียวสำหรับเขาและเป็นนรกอาเวจีที่เลวร้ายลึกร้อนสุด หาที่เปรียบมิได้เลยเพราะเขาไม่แครนรกจริงๆเขามั่นใจจริงๆว่ามันไม่มีเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องหลอกคนให้คนในโลกที่มีชีวิตนี้กลัวจะได้ไม่ทำชั่วเขาถือว่ามันเป็นจิตศาวิทยาเท่านั้นเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นสัจจะที่มีอยู่จริงจริง เขาไม่ได้เรียนรู้ศึกษาปรมัถ ธ, ธรรมที่เป็นปรมัถสัจจาอย่างบารรลุธรรมที่จริงแท้ทองแท้